พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ยี่สิบสองสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายปัญจากานิบาตชุมนุมธรรมะห้าข้อจตุตถะปัญ น, นาตหมวดห้าสิบที่ 1. สี่วรรคที่หนึ่งสัจธรรมวักว่าด้วยสัจธรรมตรัสแสดงถึงผู้ฟังธรรมะที่ไม่ดีและที่ดีหลายใน ที่ไม่ดีคือที่ไม่ควรจะก้าวลงสู่ทํานองคลองธรรมอันถูกต้องในกุศลธรรมที่ดีคือตรงกันข้ามที่ไม่ดีเช่นข่มหรือดูหมิน่นเรื่องที่แสดงผู้แสดงและตัวเองมีจิตฟุงงร้านมีจิตไม่มีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่ใส่ใจโดยแยกคายที่ดีคือตรงกันข้ามเป็นต้น วักที่สองชื่ออาคาตะวักว่าด้วยความอาฆาตตรัสสอนวิธีนำออกซึ่งความอาฆาตห้าอย่างคือพึงเจริญเมตตาการุณาอุเบกขาในผู้ที่ตนคิดอาฆาตพึงไม่สนใจในบุคคล น, นั้นพึงคิดไปในทางที่ว่าใครทำกรรมคนนั้นก็จะได้รับผลสัตว์มีกรรมเป็นของของตน ต่อจากนั้นเป็นคําสอนของพระสาวรีบุตรในเรื่องทํานองเดียวกันเป็นแต่ยักย้ายในวักที่สชื่ออุบาสกวักว่าด้วยอุบาสกตรัสแสดงอุบาสกผู้ประกอบด้วยศีลห้าว่าเป็นผู้ก้าวลงสู่ความกล้าตลอดจนได้ตรัสถึงการค้าขายที่อุบาสกไม่ควรทำ คือค้าขายเครื่องประหารหรือสัตราค้าขายสัตว์เป็นค้าขายเนื้อสัตว์ค้าขายน้ำเมาค้าขายยาพิษพร้อมทั้งตรัสแสดงคุณของศีลห้าและโทษของการล่วงละเมิดเป็นต้นในที่สุดตรัสเล่าถึงเรื่องพระเวสีอุบาสกพร้อมด้วยอุบาสกที่เป็นบริวารอีกห้าร้อยต่างแข่งขันทาความดี ตั้งอยู่ในศีลห้าให้ดีกว่ากันขึ้นโดยลำดับจนถึงออกบวชสำเร็จเป็นพระอระหันต์วักที่สอรัญยญวักว่าด้วยป่าตรัสแสดงเรื่องภิกษุผู้อยู่ป่าห้าประเภทคืออยู่ป่าเพราะงโง่เพราะปรารถนาลามกเช่นต้องการให้คนนับถือ เพราะเป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านเพราะเห็นว่าพระพุทธเจ้าและพระสาวกสันเริญการอยู่ป่าเพราะมีคุณธรรมมีมักน้อยสันโดษเป็นต้นแล้วตรัสสันเสริญว่าอยู่ป่าเพราะมีคุณธรรมเป็นเลิศนอกจากนั้นทรงแสดงถึงผู้บำเพ็ญทุดงอื่นๆอีกมีทรงผ้าบางสุกุลคือผ้าเพื่อนฝุ่นที่เก็บตกเป็นต้น ในทํานองเดียวกันสำหรับคำว่าทุดงหมายถึงข้อปฏิบัติขัดเกลากิเลสมีอยู่ส3ามข้อมีการอยู่ป่าเป็นต้นวัดที่ห้าพรามนวัคว่าด้วยพรามตรัสแสดงธรรมะเก่าแก่ของพรามห้าประการซึ่งในบัรนี้ไม่ปรากฏในพราม คือหนึ่งพราหมณ์ย่อมอยู่ร่วมกับพราหมณีไม่อยู่ร่วมกับคนที่ไม่ใช่พรามณี 2. พราหมณ์ย่อมอยู่ร่วมกับพราหมณีผู้มีระดูไม่อยู่ร่วมกับพราหมณีผู้ไม่มีระดูข้อนี้หมายถึงยังเด็กเกินไปถือความสมควรเมื่อมีระดูหรือประจำเดือนแล้วคือสามารถมีบุตรได้สม พรามย่อมไม่ซื้อขายปรามณีย่อมอยู่ร่วมกันด้วยความรักใคร่สัมพันธ์กัน 4. พรามย่อมไม่สะสมทรัพย์เข้าเหลือกทองเงิน 5. พรามย่อมหาอาหารเย็นกินเย็นหาอาหารเช้ากินเช้าข้อนี้หมายถึงถือการภิาจารย์ไม่เหมาะสมหรือขอเอาไว้กินในมืออื่น ตรัสแสดงธรรมแกโทนพรามเรื่องคุณธรรมของพรามในทางที่เนื่องด้วยการอบรมจิตตรัสแสดงธรรมแกสังขาวระวะพรามเรื่องคุณธรรมที่ทำให้มนแม้ที่ไม่ท่องบน่นยังคงแจําแจ้งอยู่ตลอดกาลนานโดยชีย้ไปที่การทำให้จิตปราศจากนิวรห้าสำหรับนิวรห้าในตรงนี้เฉพาะข้อหนึ่งทรงใช้คำว่าการาคะ แทนคำว่ากามชันทะพราหมชื่อการณะปาลีถามพราหมชื่อบิงคียานีถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ฟังคําอธิบายก็เลื่อมใสแสดงตนเป็นอุบาสกตรัสแสดงความปรากฏแห่งรัตนะห้าที่หาได้ยากแก่เจ้าลิชวีมีความปรากฏแห่งพระพุทธเจ้าเป็นต้น ตรัสแสดงความฝันเรื่องใหญ่คือมหาสุบินห้าประการก่อนที่จะตรัสรู้คือหนึ่งส่งฝันว่ามีมหาปัตตพีเป็นที่บรรทมมีขุนเขาหิ ม, มพานเป็นหมอนพระหัสซ้ายกว่าพาดมหาสมุทรด้านตะวันออกตะวันตกประบาด ท, ทั้งคู่พาดมหาสมุทรด้านใต้แล้วส่งอธิบายว่าหมายความว่าจะได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโคธิยาณ 2. ทรงฝันว่ามียญ้าชื่อติริยาเกิดขึ้นจากพระนาภีสูงขึ้นไปจดท้องฟ้าหมายความว่าจะได้ตรัสรู้อริยมรรคมีองค์แปด 3. ทรงฝันว่ามีหนอนสีขาวมีหัวดำไต่ขึ้นมาจากพระบาทปกคลุมจนถึงชานุมนทนคือบริเวณเขา่าหมายความว่าพวกขรือหัดนุ่งผ้าขาว จะมาถึงพระตถาคตเป็นสรณะตลอดชีวิตสทรงฝันว่ามีนกสี่ชนิดมีสีต่างๆมาจากสีทิศ ต, ตกลงแทบบาทมูลแล้วกลายเป็นสีขาวทั้งหมดหมายความว่าวันณะทั้งสี่มีกษัตริย์เป็นต้นจะมาบวชในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วและได้ทำให้แจ้งวิมุตย์อันยอดเยี่ยมห้า ทรงฝันว่าทรงเดินไปมาบนภูเขาอุจจระลูกใหญ่แต่ไม่เปื้อนอุจจระหมายความว่าพระองค์จะได้ลาปัจัยสีแต่ไม่ติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นและได้ตรัสแสดงเรื่องอื่นๆเช่นลักษณะห้าของวาจาสุภาษิตและนิสารณะทาตุหรือนิสารณะธาตุธาตุคือความแล่นออกได้แก่พ้นไป คือการที่จิตของบุคคลแล่นออกไปหรือพ้นไปจากกามคือความใคร่จากพยาบาทคือความคิดปองร้ายจากวิเหสาคือความคิดเบียดเบียนจากรูปและสั ก, กายะคือกายของตนปัญจมะปัญ น, นาฏหมวดห้าสิบที่ห้าวรที่หนึ่งกิมพิลาวรว่าด้วยพระกิมพิละ ตรัสแสดงธรรมแก่พระกิมพิละถึงเหตุที่พระสัตยธรรมจะตั้งอยู่ไม่นานหรือตั้งอยู่นานเมื่อพระตถาคตบาริณิพานแล้วโดยชี้ไปที่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาไม่มีความเคารพในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ในการศึกษาในการละกันและตรัสแสดงถึงเรื่องอื่น วัคที่สองอกโกสกวัตว่าด้วยผู้ดา่าตรัสว่าภิกษุด่าบริพาทเพื่อนพรมจารีภิกษุผู้กล่าวร้ายพระอริยเจ้าเป็นผู้หวังโทษห้าอย่างคือต้องอาบัติปาราชิกต้องอาบัติชั่วยาบมีโรคอย่างหนักหลงทมกาละตายไปแล้วเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรก แล้วได้ตรัสแสดงโทษของภิกษุผู้ก่อการทะเลาะวิวาทโทษของการพูดมากเป็นต้นวักที่สากีขาจาริกวัดว่าด้วยการเที่ยวไปนานหรือเดินทางนานตรัสแสดงโทษของการจาริกเป็นนานโดยไม่มีจุดหมายว่ามีอยู่ห้าอย่าง คือไม่ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่ได้ฟังที่ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจชัดขึ้นไม่กล้ากล้าเพราะได้ฟังเพียงเล็กน้อยมีโรคอย่างหนักไม่มีมิตรในทางดีคือตรงกันข้ามตรัสแสดงโทษของการอยู่ประจาที่นานเกินไปห้าอย่างคือมีข้าวของมากสั่งสมข้าวของมาก มีเพศัตวมากสั่งสมเพศัตวมากมีกิจกรณียะมากไม่ฉลาดในการงานคลุกคลีกับข้ารือหัดและบันผชิตด้วยการคลุกคลีกับข้ารือหัดในทางที่ไม่สมควรออกจากอาวาสไปไหนก็มีความห่วงใยแล้วตรัสแสดงอานิสงฆ์ของการไม่อยู่ประจําที่นานเกินไปในทางตรงกันข้าม แล้วได้ตรัสแสดงโทษของการอยู่ประจำที่นานเกินไปอีกห้าข้อคือทำให้ตรณีในที่อยู่หมายถึงห่วงที่อยู่มีที่ว่างก็ไม่อยากรับใครไว้ตรณีในตระกูลคือไม่ต้องการให้ตระกูลที่อุปถากตนไปอุปถากผู้อื่นตรณีในลาบตรณีในคุณความดีหรือชื่อเสียงและตรณีในธรรมะ ทรงแสดงโทษของการเข้าสู่สกุลหมายถึงไปฉันเป็นประจำในบ้านซึ่งมักทําให้ต้องอาบัตต่างๆและโทษของการคลุกคลีในสกุลเกินขอบเขตเป็นต้นวัดที่สอาวาสิกวัตว่าด้วยภิกษุผู้เป็นเจ้าถิน่นตรัสแสดงถึงภิกษุผู้เป็นเจ้าถิน่น ที่ประกอบด้วยธรรมะห้าอย่างว่าเป็นผู้ไม่ควรสันเสริญอธกถาแก้ว่าไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเจริญคือไม่สมบูรณ์ด้วยอากัศปกิริยาและวัดหรือข้อปฏิบัติไม่สดับตรับฟังมากไม่ทรงจำไม่ขัดกล่าวกิเลสไม่ยินดีในการขัดกล่าไม่ยินดีในความดีไม่มีวาจาไพเราะ มีปัญญาสามแล้วทรงแสดงฝ่ายดีตรงกันข้ามกับทรงแสดงถึงภิกษุผู้เป็นเจ้าถิน่นที่เป็นที่รับเป็นที่พอใจของเพื่อนปรมจารีและตรงกันข้ามอื่นๆอีกจนจบวักข้อความคล้ายคลึงกันเป็นแต่เปลี่ยนคุณธรรมบางข้อวัคที่หทุจริตวักว่าด้วยทุจริต รัสแสดงโทษของทุจริตห้าอย่างคือตนเองติเตียนตนได้ผู้รู้พิจารณาแล้วติเตียนได้กิตติศัพ์อันชั่วย่อมฟุ้งไปเป็นผู้หลงตายเมื่อตายแล้วก็เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกในฝ่ายดีทรงแสดงตรงกันข้ามตลอดจนโทษของความเลื่อมใสเจาะจงตัวบุคคลห้าประการ คือหนึ่งเมื่อผู้นั้นต้องอาบัตสงยกเสียจากหมู่ก็เลยไม่เลื่อมใสในภิกษุทั้งหลายเป็นเหตุให้ไม่คบไม่ฟังธรรมะและเสื่อมจากสัตธรรมข้อนี้คือเพราะเข้ากับคนผิดสเมื่อผู้นั้นต้องอาบัตสงลงโทษให้นั่งปลายแถวก็เลยไม่เลื่อมใสในภิกษุทั้งหลายเหมือนข้อแรกสมเมื่อผู้นั้นหลีกไปที่อื่น 4. เมื่อผู้นั้นศึกไป 5. เมื่อผู้นั้นตายไปด้วยเหตุทั้งสามนี้ก็เลยไม่คบภิกษุอื่นหมายเหตุคาสอนข้อนี้ดีมากไม่ให้ติดในบุคคลแต่ถ้าจะเลื่อมใสควรเลื่อมใสในหลักธรรมเพราะคนอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเข้าใจในหลักธรรมหรือหลักการแล้วก็จะไม่วุ่นวายในเรื่องบุคคล พระสูตรที่ไม่จัดเข้าในวัคในหมวดนี้ถือได้ว่าเป็นหมวดพิเศษแสดงเรื่องธรรมขันธ์คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะและเรื่องอื่นๆที่คล้ายคลึงหรือพ้องกับวินัยปิดบ้างที่แสดงมาแล้วในชุมนุมธรรมะที่มีห้าข้อบ้างพึ่งสังเกตว่าตั้งแต่หมวดห้าสิบที่สี่มาจนจบนี้ได้ย่อความอย่างรวบรั็ และแสดงเฉพาะข้อธรรมะที่ไม่พ้องกันโดยมาก